นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านเอามาใช้เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็ามาใช้ท่านเอามาต่อยอดในเรื่องของการเจริญปัญญาหรือการทําวิปัสสนากรรมฐานการทําวิปัสสน า, านการรมฐานนั้นเป็นการเรียนเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเรารูปธรรมนามธรรมานี้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 สิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกเป็นอายตนะหกก็ได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมและใจเป็นส่วนของนมามธรรมแยกเป็นธาตุสก็ได้ธาตุไม่ใช่ธาตุทางเคมีหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะธรรมรม ความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็น18อย่างอย่างละห 6, 6. นะตาหูจมูกลิ้นกายใจ6รูปเสียงกลิ่นรสพุทธภธรรมารมนะ์ก็หกวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อีก6รวมแลนะ้ว18บแปดยังแยกอย่างอื่นได้อีกแยกเป็นอินทรีย์22ตัวก็นะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอินทรีย์อีกแหลนะสัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ก็เป็นอินสีก็รวมความแล้วเป็นแค่สภาวะของรูปธรรมนามธรรมแยกเป็นปฏิจจสมุปบาทสิบสออย่างก็ได้อวิชาก็เป็นนามธรรมสังขารเป็นนามธรรมนามรูปมีทั้งรูปทั้งนามอายตนะมีทั้งรูปทั้งนามรวมความก็คือการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นส่วนส่วน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 เรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นชนะิ้นแแต่และชิ้นจะไม่ใช่ตัวเราวิธีถอดตัวเองเป็นชิ้นชิ้นะก็ถอดได้หลายแบบถอดเป็นขันหก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าถอดออกมาเป็นขัน5รูปก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราสังขาร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 แต่ถ้าแยกขันเป็นจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายของเราเจ็บป่วยไม่ใช่จิตของเราเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเียงแค่สภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านเข้ามาชั่ชวครั้งชั่ชวคราวแล้วก็หายไปมีไหมความเจ็บป่วยที่ไม่หายมีไหมไม่มีนะกระทั่งเป็นมะเร็งก็หายนะ Phoenix. ถึงจะเป็นมะเร็งก็หายความเจ็บป่วยสุดท้ายเอาไปเผานะ